1.4 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของชนกลุ่มน้อยเป็นศาสนาที่ต้องพึ่งตนเองและต้องกล้าเผชิญความจริงวงเล็บเปิด24มีนาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดคนบางคนเรียนธรรมะด้วยใจที่เปิดรับสิ่งใหม่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 เช่นพอฟังหลวงพ่อบอกก็คิดเปรียบเทียบเลยว่าอาจารย์นั้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอย่างนี้หลวงแม่ว่าอย่างโน้น ون, คิดไปเรื่อยๆหรือใช่หรือไม่ใช่นะเรื่องมากคิดมากใจมันไม่ยอมรับบางคนไปฟังพระพุทธเจ้าเทศมันก็รับอะไรไม่ได้เหมือนกันบางคนไปฟังพระพุทธเจ้าเทศก็รับได้คนที่รับได้จริงๆมีน้อยนะ ศาสนาอื่นเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ศาสนาพุทธยิ่งใหญ่คนเดียวศาสนาพุทธก็เป็นหนึ่งในเจ็ดศาสนาใหญ่ๆมันมีเจ้าลัทธิเดิมเจ้าสำนักใหญ่อยู่หกลัทธิแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ทําให้ลัทธิอื่นล่มลงไปได้อย่างอาจารย์สันชัยปริพาชกพวกนี้เป็นพวกนักปรัชญาสำนักปริพาชกเป็นพวกนักปรัชญาชอบถกเถียงใช้เหตุใช้ผลใช้ตร ก, กะเขาเรียนตร ก, กะวิทยานะ พระพุทธเจ้าทึงสอนในการลามาสูตรว่าอย่าเชื่อตักกะเนี่ยพระสารีบุตรก็เคยเป็นลูกศิษย์เขาตอนพระสารีบุตรได้เป็นพระโสดาบันแล้วไปชวนอาจารย์สันชัยไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอาจารย์สันชัยไม่ไปชวนอย่างไรก็ไม่ไปบอกว่าตัวท่านใหญ่แล้วเรื่องอะไรต้องไปเป็นลูกศิษย์ไปเป็นสาวกรุ่นหลังอีกพระสารีบุตรเศร้าสีแก่แกก็เลยถามพระสารีบุตรว่าในโลกนี้มีคนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากัน พระสารีบุตรบอกว่าคนโง่ามากอาจารย์สัญชัยบอกว่าเพราะฉะนั้นคนฉลาดจงไปหาพระสมณโคดมคนโง่จํานวนมากจงมาหาเรานี่เอามวลชนนะดังนั้นคนที่จะเข้าถึงาศาสนาพุทธจริงๆมีไม่มากหรอกเพราะาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่ให้พึ่งตัวเองคนส่วนมากจะไม่พึ่งตัวเองหรอกเพราะเราเคยชินตอนเล็กๆ เ, เราก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ใช่ไหมต่อมาก็พึ่งอาจารย์พึ่งครูพึ่งเพื่อนบางคนก็พึ่งเมีย เดี๋ยนี้ผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชายเยอะผู้ชายเลี้ยงลูกก็มีนะผู้หญิงไปทำงานทำงานได้เก่งอันนี้แต่ละครอบครัวมไม่เหมือนกันคนมันต่างๆนานานะไม่ใช่จะเข้าใจาศาสนาพุทธได้ทุกคนหรอกคนส่วนมากไม่ชอบพึ่งตัวเองาศาสนาพุทธให้พึ่งตัวเองาศาสนาพุทธให้ใช้เหตุผลไม่ใช่พึ่งตัวเองแบบวัวแบบควายที่เอาแรงเข้าแลกสอนให้ใช้สติสอนให้ใช้ปัญญาสติเราก็ไม่รู้จักปัญญาเราก็ไม่มี เราไปคิดว่าความฟุง้งซ่านคือป Profess ัญญาเราคิดว่าการคิดคิดเอานั่นแหละเป็นปัญญาปัญญาจริงๆไม่ได้เกิดจากการคิดเอาเองไม่ได้เกิดจากการฟังการอ่านอันนั้นมันเป็นปัญญาของคนอื่นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ความรู้ของเราปัญญาจากการคิดก็ไม่ใช่ปัญญามันคิดเอาเองคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ แล้วส่วนมากชอบคิดผิดเพราะโดยพื้นฐานเราจะมีทิฐิเรียกว่ามิจฉาทิฐิครอบงำคิดอย่างไรก็มักจะผิดครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้กลับจําไปอีกอย่างมีนะบางคนมาฟังหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าพระโสดาบันละสากยทิฐิได้พระอนาคาพระอรหันเนี่ยละความยึดถือได้ละอุปาทานพระโสดาบันเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราพระอรหันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจ เอาไปเล่าให้เพื่อนฟังต่ออีกนะว่าหลวงพ่อสอนว่าพระโสดาบันเห็นว่ากายไม่ใช่เราขั้นสูงสงขึ้นไปถึงจะเห็นว่าละอย่างอื่นว่าไม่ใช่เรานี่ใจมันทรงธรรมะเอาไว้ไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อความคิดนะาศาสนาพุทธสอนวิธีหาความรู้ด้วยการเข้าไปสังเกตการเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นเอง เข้าไปดูของจริงๆว่าจริงๆเป็นอย่างไรสังเกตการอย่างสังเกตกายของเราเป็นอย่างไรสังเกตใจว่าใจของเราเป็นอย่างไรสังเกตไปเรื่อยตามดูไปเรื่อยว่าจริงๆเขาเป็นอย่างไรในที่สุดก็เห็นความจริงของเขาเรียกว่าปัญญานะเห็นความจริงคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญญาคนส่วนใหญ่ไม่อดทนที่จะตามสังเกตโดยเฉพาะตัวเองเป็นสิ่งที่สนใจน้อยที่สุดมันเป็นปมด้อยของมนุษย์นะ เป็นจุดอ่อนอย่างร้ายกาจเลยเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราสนใจตัวเองน้อยที่สุดเลยดูเราก็ดูสาวก่อนใช่ไหมก่อนจะดูหน้าตัวเองฟังเราก็ฟังคนอื่นคิดเราก็ชอบคิดเรื่องคนอื่นสนใจคนอื่นพึ่งก็ไปพึ่งคนอื่นมันเป็นจุดอ่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะห้าวหาญมาเป็นชาวพุทธแท้ๆกล้าที่จะลุกขึ้นมาเผชิญความจริงในกายในใจกล้ามารู้ทุกเนี่ยหายาก คนทั่วๆไปไม่ได้อยากรู้ทุกข์คนทั่วๆไปอยากจะพ้นทุกข์อยากจะไม่มีความทุกข์ไม่ได้อยากรู้ทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนก็รู้ลงไปที่นั่นทุกข์อยู่ในกายก็รู้ลงในกายทุกข์อยู่ในใจก็รู้ลงในใจคนทั่วๆไปอยากละทุกข์ทาอย่างไรจะไม่ทุกข์ไม่ได้อยากรู้อยากละทุกข์ก็ดิ้นดิ้นดิ้นตลอดเวลานะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นใหญ่หาทางจะพ้นทุกข์ มีแต่คาสอนของพระพุทธเจ้านะกล้าหาญมากเลยสอนให้เรากล้าหาญความทุกข์อยู่ที่กายก็รู้ลงในกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจก็รู้ลงในจิตใจตัวเองรู้ไปเรื่อยเรืรู้จนเห็นความจริงของกายของใจกายนี้ทุกข์ล้นเลยกายนี้อย่างไรก็ทุกข์จิตใจนี้ถ้าปัญญาเบื้องต้นก็แค่เห็นว่าจิตใจถ้ามีความอยากขึ้นมามีการดิ้นรนขึ้นมาก็จะมีความทุกข์ถ้าจิตใจไม่มีความอยาก ไม่มีความดิ้นรนก็จะไม่มีความทุกข์พวกที่ภาวนาเห็นตรงนี้นี่ยังไม่เรียกว่าเห็นอริยสัจนะเพราะว่าจิตยิมีสองชนิดคือจิตที่มีสุขกับจิตที่มีทุกข์นะจิตที่มีกิเลสตัณหามีอุปทานมีภพมีความปรุงแต่งมันเป็นทุกข์จิตที่มีสติมีปัญญาไม่ทุกข์นี่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจะเห็นเลยว่าจิตทุกชนิดเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์โดยตัวของมันเอง ถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้ยากที่สุดเลยที่จะเห็นอย่างนี้เพราะเราภาวนาพอจิตใจเราสงบจิตใจเราสบายรู้สึกไหมว่ามีความสุขขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าถ้าฉันภาวนาดีฉันก็จะมีความสุขถ้าฉันมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะมีความสุขนี่จิตยังมีทางเลือกมีจิตที่มีความสุขกับจิตที่ทุกข์ ปล่อยวางไม่ได้จะเลือกเอาสุขจะเลือกที่จะหนีความทุกข์แต่ถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆนะจะเห็นว่าจิตนี้ทุกข์ล้นล้วนเลยเหมือนที่เห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้นล้วนนะมันจะปล่อยวางความยึดถือจิตอย่างตอนที่เราเห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้นล้วนมันจะหมดความยึดถือกายถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ล้นล้วนจะหมดความยึดถือจิตการที่เห็นกายเห็นจิตเป็นทุกข์ล้นล้วนเรียกว่าเห็นทุกขสัต์ ทุกให้รู้รู้ความจริงของกายของใจว่าเป็นทุกข์ล้วนๆพอรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วไม่ยึดถือมันแล้วจะปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วตัณหาจะเกิดอีกไม่ได้เด็ดขาดเลยตัณหาเกิดขึ้นมาเพราะมันอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์แค่นี้เองมันหลอกเราแค่นี้เองอย่างเราอยากดูหนังฟังเพลงถามว่าดูเพื่ออะไรดูเพื่อให้มีความสุขหรือเพื่อหนีความทุกข์ กลุ่มใจไปกินเหล้าเพื่ออะไรก็เพื่อจะหนีความทุกข์ไปทัศนาจรเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีความสุขวิ่งหาอยู่แค่นี้เองแล้วถูกหลอกอยู่แค่นี้นี่เองแล้วก็พลานไปทั้งชาติชาติเดียวไม่พอให้พลานนะพลานข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อยๆมิแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาดูมันดูจนเห็นว่ามันทุกข์ล้วนๆแล้วก็วางพอวางแล้วก็หมดความอยากจะให้มันมีความสุขหมดความอยากจะให้มันพ้นทุกข์ทันทีที่หมดความอยาก จิตจะไม่ดิ้นอีกต่อไปแล้วไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาอีกเลยนะไม่เหมือนการภาวนาในขั้นที่มีสติตามรู้อย่างพวกเราตอนนี้มีสติตามรู้ไปพอจิตมีสติทีหนึ่งก็พ้นออกมาทีหนึ่งสบายไปทีหนึ่งเดี๋ยวก็ปรุงใหม่แต่ถ้าเมื่อใดหมดอวิชชาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแจ่มแจ้งตัณหาจะไม่เกิดอีกแล้วไม่ต้องระวังรักษานะไม่เกิดอีกเลยความอยากใดๆ ไ, ไม่มาครอบงาจิตได้อีกเลย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 วันหนึ่งปัญญาเราแทงทะลุลงไปถึงจิตถึงใจจริงๆปล่อยลงไปปล่อยวางได้ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกมันมีอิสรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นจะเจอพระอิศวนตัวจริงผู้ยิ่งใหญ่ก็คือใจที่มันพ้นนั่นเองพ้นจากกิเลสตันหาครอบงําใจที่มันเป็นอิสระเป็นใหญ่ในตัวเองจิตมันใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ด้วยมานะอัตตานะมันใหญ่เพราะความไม่ถือมั่นอะไรทั้งปวงจิตกว้างขวางเต็มโลกธาตุจิตของเราแคบๆ จิตของเรามีจุดมีดวงมีที่ตั้งรู้สึกไหมวิ่งไปวิ่งมาได้ตัวเล็กๆ เ, เดี๋ยวก็วิ่งไปทางนั้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้วันที่ปล่อยวางจิตแล้วมันจะไม่วิ่งไม่มีที่ให้วิ่งเพราะมันเต็มโล ก, กธาตุเลยไม่วิ่งไปวิ่งมาแล้วถึงไหนมันก็ถึงเลยจิตกับธรรมจะเป็นอันเดียวกันของเราตอนนี้จิตกับธรรมเป็นคนละอันกันเราไม่อยากเอาธรรมะด้วยเราอยากได้อธรรมนะเราอยากได้ของโกหกหลอกลวง ของจริงคือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่อยากได้หรอกเราอยากได้ของไม่จริงอยากได้ความสุขถาวร อ, อยากได้ของเที่ยงสุขก็ต้องถาวรด้วยสุขธรรมดาก็ไม่ได้ตรงสุขถาวร น, นี่มันไม่มีจริงเลยบางทีนะคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาหรือได้อยู่กับคนนี้ก็จะมีความสุขนะพออยู่จริงๆก็งันๆแหละแต่ว่าเรื่องนี้ต้องถามกันลับหลังเป็นมารยาทที่ผู้ชายก็จะไม่พูดต่อหน้าภรรยานะ คือแต่ละคนนะมันจะหวังอะไรลมๆแรงๆหลอกลวงตัวเองไปเรื่อยๆ อ, อย่างผู้หญิงมีแฟนนะวันหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายมีนิสัยที่ไม่ดีหลายข้อแต่ผู้หญิงจะมีความโง่อยู่อย่างหนึ่งจะหวังว่าถ้าแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่พอแต่งแล้วจะพบว่าไม่ได้หรอกผู้หญิงอยากให้ผู้ชายเปลี่ยนแปลงแล้วทําไม่สําเร็จผู้ชายก่อนแต่งนี่จะดูผู้หญิงนี่มันดีทุกอย่างเลยเพราะผู้ชายมันตาบอดมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายจะหวังว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็โง่อีกเหมือนกันนะมันพบว่าผู้หญิงนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยเราไปคาดหวังอะไรที่มันไม่ใช่ของจริงนะของจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมาประกอบกันชั่วครั้งชั่วคราวมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลา จิตใจไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราในคนละมุมกันมุมที่เด่นชัดของความเป็นอนาตธรของกายและใจนี้เหลื่อมกันนิดหนึ่งกายนี้มันไม่ใช่เรามันเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นวัตถุส่วนจิตใจนี้บังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขลูกเดียวก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งดูลงไปนะจนเห็นไตรลักษณ์ยอมรับความจริงในกายในใจ กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์มีแต่การบังคับไม่ได้มีแต่ขอไม่ใช่เราใจยอมรับตรงนี้ใจก็เข้าถึงธรรมะธรรมะคือความจริงเท่านั้นแหละธรรมะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะแต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็จะมีความสุขคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริงชอบหลอกตัวเองเบื้องต้นหลอกตัวเองก่อนแล้วถัดจากนั้นไปหลอกคนอื่นเช่นหนุ่มๆไปจีบสาวนะ ไปบอกสาวว่ารักคุณที่สุดในโลกเลยนี่เป็นสำรวนโบราณนะที่จริงแล้วไม่มีใครรักใครที่สุดในโลกหรอกเพราะคนที่เรารักที่สุดในโลกคือตัวเราเองดังนั้นหนุ่มคนไหนมาบอกว่ารักเราที่สุดในโลกนะบอกได้เลยว่าเขาโกหกอย่างน้อยถ้าไม่ได้คิดจะโกหกก็แสดงว่าดูจิตตัวเองไม่เป็นนะภาวนานะภาวนาไปแล้วมีความสุขอศัศจรรย์ที่สุดเลยนั่งฟังธรรมะสังเกตไหมว่าจิตใจมีความสุขรู้สึกไหม ธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะถ่ายทอดด้วยหัวใจเลยไม่ใช่ถ่ายทอดด้วยปากถ้าใจเราเปิดรับเราจะสัมผัสกับธรรมะทันทีเลยจิตเราจะรู้จิตเราจะตื่นจิตเราจะเบิกบานจิตเราจะสงบมีความสุขขึ้นมาฉับพลันนั้นเลยแล้วเราก็จะมีกําลังที่จะคอยรู้กายมีกําลังที่จะคอยรู้ใจของตัวเอง